พระธรรมเทศนาแผ่นที่91ดลำดับที่สองโดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่13กันยายน2559มีชื่อเรื่องว่าทดแทนคุณเทวดาวันนี้เป็นวันอังคารที่13าม กันยายนพุทธศักราช2559วันนี้ทางกรมอุตุเขาประกาศแล้วประกาศอีกหลายฉบับนะได้ยินว่าดีเพชันแล้อะไรจะขึ้นมาทางเวียดนามแล้วก็จะเข้ามาทางอีสานในเย็นวันนี้นะเขาบอกเช่นกันนะวันที่13จนถึงวันที่15 ใครอยู่ที่ไหนให้ระมัดระวังกลัวน้ำเข า, าแต่พวกเราอยู่วัดวันนี้พอตื่นขึ้นมาฟ้าแจ้งจ่างปางเข า, ากันไปดูดูแล้วมองขึ้นทะลุฟ้านะ่ฟ้าเขียวต่อยเลยแดดจมอีกต่างหากไม่มีทีท่าเลยบ่าฝนจะมาลูกหลานว่าไหม ด, ดมูมองดูแล้วนะ่ะเออทาหากว่า เราจะไปพูดก่อนก็ไม่ได้ว่าฝนจะไม่มาถ้าหากว่าตอนเย็นวันเนี้ยฝนไม่มาเราจึงพูดได้ว่าโอ้ยขี่ตัวเขาก็จะวางจันทร์ว่าเออแต่นี้อย่าเพิ่งพูดว่าเขาขี่ตัวนะเพราะยังไม่ถึงเวลาฮเออแต่เรามองมองเลยไม่มีท่าทีเลยว่าฝนจะมาวันนี้นะเออพวกเราทุกคนคงจะคิดเหมือนหลวงพ่อเหมือนกันแหละพอมันแจ่มเหลือเกินแดดแจ้งสว่าง ท้องฟ้าก็มองเห็นน่นไม่มีก้อนเมฆเลยเห็นฟ้าเขียวต่อยนะเนี่แหละอันนี้เราต้องฟังไว้ทุกเสียงทุกอย่างเราเกิดมาในโลกเนี่ยเราจะเป็นดันทุลังอย่าไปเชื่อตัวตัวเองต้องฟังหูเขาหูมีอยู่สองข้างนอหูม่อยู่สองข้างหูเขาไม่ปิดหูอีกต่างหากตาก็ยังปิดหลับตาได้ไม่อยากจะดูนะ ไม่อยู่จากจะดูไม่อยากจะเห็นแล้วหลับตาแต่หูเนี่ยไม่รู้จะปิดยังไงถ้าไม่เอามือปิดไงถ้าเขามัดมือแล้วก็ไม่รู้จะปิดยังไงปิดหูต้องได้ยินนะหูเนี่ยเป็นเอกลักษณ์อันหนึ่งเหมือนกันนะเพราะนั้นเมื่อเราได้ยินอะไรมาก็ฟังเอาไว้อย่าไปหูเบาอย่าไปหูหนักหูหนักไปว่าไม่ฟังคำใครหัวชนฝานั่นก็ใช้ไม่ได้ ตาหูเบาเกินไปขนพูดอะไรมาคืเชื่อทั้งหมดอันนั้นก็ใช่ไม่ได้อีกเหมือนกันพอได้ยินอะไรมาต้องยืนแน่งฟังแต่เราก็ไม่ประมาทอย่างที่บ่าเขาว่าพายุจะเข้ามาอย่างนี้นะเราเตรียมอะไรไว้ไหมในวัดของเราอันไหนที่มันจะเปียกอันไหนมันจะหกหลังคามันรั่วมไหมมันรั่วที่ตรงไหนเขาว่าฝนจะมาแรงนะ ตรงไหนที่พอจะมุงได้จะเสียสิ่งของเสียของล้าก็ดูแลจุนเจือจุดนั้นให้ดีขึ้นให้จบเตรียมพร้อมทามันไม่มาแ่ะไม่มาเขาไม่เป็นไรเพราะมันไม่มาก็ไม่เห็นสายเสียหายที่ตรงไหนเราก็เตรียมพร้อมไว้ดีแล้วเนี่ยถ้ามันมาคราวหน้าเราก็เราก็เตรียมพร้อมของเราไว้แล้วนะเนี่ยมันก็ดีคือความเตรียมพร้อม เราอยู่นัสถานที่ใดณตองนั้นเป็นผู้อย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้มีคุณธรรมศีลธรรมอยู่ในใจถ้าว้เรามีคุณธรรมอยู่ในใจไปอยู่ที่ไหนร่มเย็นเป็นสุขอยู่ในชุมชนใดอยู่กับพ่อเขาแม่พ่อแม่ก็อุ่นใจอยู่กับครูบาอาจารย์อุคูบาอาจารย์ก็สบายใจ ถ้าเรามีกิเลสไปอยู่กับใครเดือดร้อนนะไม่รู้จักสูงไม่รู้จักต่ำไม่รู้จักสิ่งควรไม่ควรจะพูดอะไรก็พูดออกไปอพอพูดออกไปแล้วมันปัญหาตามมาคําพูดของตัวเองมันย้อนกลับมาทําให้หมู่พวกเพื่อนเดือดร้อนวุ่นวายเราพูดไปทําไม เ, เราก็รู้อยู่แล้วมันพูดไปแล้วมันเสียหายอถ้ามีคนถ้าผู้ใดก็ตามมีคุณธรรม อยู่ในจิตใจแทรกอยู่ในจิตใจจะพูดอะไรออกไปก็มีธรรมธรรมคือหลักเหตุผลไม่ใช่อื่นไงนะคำว่าธรรมธรรมธรรมะคือหลักเหตุผลควรจะพูดไหมควรจะแสดงอย่างนี้ออกไหมถูกต้องไหมนะเหล่านี้เป็นต้นนะแต่ลูกหลานคณะทธาตญาติโยมหลวงพ่อพูดต่ทางอื่นอนะืนแต่ก็ยังไม่ได้พูดว่า ชีวิตของหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อออกมาบวชแล้วปฏิบัติกับพ่อแม่บ่งสาคานาญาตอย่างไรพวกเราเป็นพระเราวางตัวยังไงแต่หลวงพ่อไม่เอาคนอื่นนะหลวงพ่อจะบอกบอกให้ทราบพอหลวงพ่อเกิดมากับพ่อกับแม่ก็อยู่ด้วยความยากลำบากเหมือนกันเพราะเป็นชาวนาทำไร่ทำนา ทําไมหาอยู่หากินก็ไม่ได้กินเราเอาเปรียบพี่น้องนี่แหละแต่ชีวิตแต่ชีวิตของเราเราชอบในการฆ่าไหมเราไม่ชอบในการฆ่านะแต่ว่าเราจะอยู่เฉยๆเราไม่หาอยู่หากินพี่น้องหลายคนเขาจะว่ายังไงเผลอๆเขาจะโดนไม้เลียวเขาอีกโดนอะไรเขาไม่รู้ละ ในพี่น้องตอนนั้นก็เราต้องปรับตัวให้เข้ากับพี่น้องเราทำได้หมดหากบหาเกียร์ห า, าปูหาปลาขนาดเป็นเด็กๆนะอันนี้คือการเลี้ยงการอยู่ในครอบครัวพอเราจบปอ .4 อายุสิบเอ็ดปีย่างสิบสองพอสอบปอ .4 ได้ ก็ว่าสอบผ่านแล้วนะหลวงพ่อก็เข้ามาวัดเลยพ่อแม่ก็เออเอาไปบบกนะลูกนะในบุญไปบวชเป็นลูกจิตปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมไปรักษาศีลทั้งพี่ทั้ง น, องงงนาานะ้องทั้งวงศาคณาญาตินะเพราะว่ามีลูกชายอยู่สี่คนเราเป็นคนที่สามพอพ่ อ, พอแม่พี่น้องทุกคน เขาอยากจะให้บวชเพราะในบ้านไม่มีใครบวชเลยดีอกดีใจฮะตัวเองก็ดีอกดีใจลึกๆเหมือนกันอจะได้บวชแต่เนี้เขาก็พอจบได้จบแล้วก็นะเขาก็ส่งขึ้นวัดปู่จจก็ไปอยู่กับหลวงปู่ก็มีหลวงปูล่ล่าหลวงพ่อตัวเองนะหลวงพ่อก็บวชเพิ่งบวชปิตตประเขาใหม่ๆปีสองพัน้าร้อยนะ ปวดเป็นตปะปาขาวแล้วก็บวชเป็นพระนะกระปวดไม่กี่เดือนท่านบวชเดือนสา ม, มั้งเดือนมกรากรุมพานะท่านมาอยู่เดือนมกรานะเดือนกรุมพาต้องกระปวดพอมมีนาจบหลงพ่อสอบเสร็จแล้วก็เข้าไปอยู่ไม่กี่เดือนอยู่กับหลวงปู่ล่าปู่ล่าก็ได้ 11, สิบอพรนศานะลูกหลานนะอายุของหลวงพ่อเท่าไหร่พรนศาของหลวงปู่ล่าเท่านั้น หลวงปู่ล่าบวชปี88หนะลวงพ่อก็เกิดปี88เหมือนกันจะไดงว่าท่านอายุพรรษาอย่างน้อยอยู่นะหลวงปู่ล่าปีนั้นนะท่านออกมาจากหลวงปู่มั่นพอท่านไปอยู่กับหลวงปู่มั่น 3-4 ปีจากนั้นท่านลงไปจำพรรษาทางภูเก็ตหลวงปู่เทศเลยขึ้นมาจมําพรรษากระองค์หลวงตามหาบัวที่ห้วยทรายจากนั้นขันทนก็มาอยู่ภูเก้าจากนั้นนมาอยู่ภูเจาะปี2500 แต่หลวงพ่อเรียนจบปอสีแล้วก็เข้ามาเป็นนาคเนรกะทานพอหลวงพ่ออยู่ที่นั่นแต่แตามไม่จริงทั้งพ่อทั้งทั้งแม่ทั้งพี่พี่นะก็คงจะให้มาประเคนสิ่งของให้หลวงปู่ด้วยหลวงพ่อตัวเองด้วยท่านบวชเป็นพระเราก็เป็นเนน้อยประเคนน้ำร้อนน้าอะไรที่จะต้องประเคนเนี่ยเราให้มาปฏิบัติ แล้วก็โอ้ดีใจพอพอ่อแม่พี่น้องทุกคนอยากจะให้บวชพอมา่บวชขึ้นมาเขามาส่งวันพระใช่วนะันพระมานคนเยอะใชนะคนมาพัฒนาวัดด้วยมาตายยามาทำอะไรต่อไม่อะไ ร, วะไรพวกเด็กตั้งผู้ใหญ่นะมาขนสิง่งขนของทำถนนหนทางเขียหินเก็บหินให้มันเป็นระเบียบหลักสันอยกา้นละเพราะบ้านนอกเขามาเขาก็ต้อง เขาทาการทำงานอยู่บ้านเขาอยู่แล้วพอมาถึงวัดเขาก็ช่วยกันพัฒนาวัดใหม่หลวงปู่ท่านก็ดูแลบอกให้เขาทำอะไรเขาก็ทำด้วยความตั้งใจจริงๆชาวบ้านนะเพราะว่างานการงานอย่างอื่นเขาก็ไม่มีเราก็ไปขึ้นมาเลยอยู่แล้วก็ดีใจเราได้มาอยู่วัดพอดีใจวันที่หนึ่งพอวันพอวันพน พอเสร็จแล้วเขาก็กลับบ้านใช่ไหมล่ะวันลุ่งขึ้นเขาก็ไม่มาไม่ไม่ใช่วันพระใช่ไหมวันที่หนึ่งเขามาเอ๊รู้สึกว้า ว, า ว, า ว, าวาเววะมองหาใครไม่เห็นมีแต่หลวงปูล่ลากับหลวงพ่อทนเองเท่นี้มีสามกับตัวเองเท่านี่พอวันที่สามขึ้นมาเอ๊ตายเลยคิดถึงบ้านเลยเท่านี้คิดถึงการเป็นอยู่ของตนเองกินอาหารก็กินอาหารแต่เมื่อเช้ามื้อเดียวเทนี่ แต่ทางแม่กยงแม่ก็เตรียมให้อยู่อาหารอาหารอย่างดีเลยยงแม่เตรียมให้นะแต่อยู่ในบ้านไม่เคยได้กินหรอกอผมยงแม่ไม่เคยเอาให้กินหรอกของดีๆต้องแบ่งกันเพราะพี่น้องหลายคนใชแต่นี่มาอยู่คนเดียวเนาะเขาให้อาหารใส่ติบข้าวเหนียวมาเไอไก่ทั้งอุ้งเลยงนะั้นไม่เคยได้กินของอาหารดีขนาดนี้วันงนะั <c> ้น <oughs> แต่หลวงพ่อจําไม่ลืมขนาดนั้นลูกหลานนะ อชีวิตของหลวงพ่อนะเ ท, ท่นี่ก็อยู่วันที่สามเลอพอวันที่สี่เนี่ยคิดถึงบ้านอย่างมากเลยว้าหวอ้างว้างเงียบเหงาเออสึมเศร้าเลยตัวนี้กระโดไนนะะโดไปก้อนหินก่อนนั้นกระโดดไปก้อนหินก่อนนี้เอาะไปไม่มีใครได้มีแต่หลวงปูล่ลากับหลวงพ่อเท่านก็อยู่ในกุฏิเงียบทสรรภาวนาของท่านกลางวันใช่ไหม ท่านพักผ่อนเสร็จแล้วกับท่านกับภาวนาของท่านตอนบ่ายๆหรือว่าตอนเทียเท่ยงเที่ยงท่านเองจะออกมานี่ตัวเองก็ไม่รู้จะเล่นกับใครเลยถ้ามีลิงอย่างในวัดของเราคงไปเล่นกับลิงใช่ไหมอันนี้ไม่เล่นไม่รู้จะเล่นกับอะไรเอยโดดก้อนหนอนนินก่อนนั้นก่อนที่เอาไปมาโอ้ตายข้าี่คิดผิดนะข้าคิดถึกน้มาปวดเขานี่นะผัวนิสุทธิ์เขาร้องหอไห้โหยเฉยคิดถึงบ้านเหมือนกันเออพอตอนบ่ายมาลงปู่ลงมาเอา้า ไปไงเอ็นทำไมร้องไห้ทําไมโอ้ยผมคิดถึงบ้านครับอครูอจารย์ครับผมบวชไม่ได้หรอกผมคิดถึงบ้านผมคิดถึงแม่เหมือนไงปุณห์จิดถึงแม่แต่ก่อนไม่อยู่กับแม่ไม่ค่อยคิดถึงแม่แต่ถึงพ่อนะร้ อ, องไห้เอ้ยไม่ต้องคิดถึงหรอกสมัมมณีใ น, น, นครั้งพุทธกาลอายุเพียงเจ็ดขวบท่านภาวนาจนท่านสำเร็จเป็นพระอรหันต์ไม่รู้กี่องค์ตกกี่องค์ เราอายุถึงสิบสองปีแล้วเนี่ยเป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยเอาเอาหนังสือไปอ่านท่านก็เลยให้นาวฟโกวาดติดติดยามของท่านมาในท่องตรงนี้ตรงนี้นั้นท่องเสกียวัตรนะแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวต่อไปเราจะท่องเอสาหังท่องคำบวชเออเจนี้ได้ได้เครื่องอยู่แล้วเจนี้่อพอได้ท่องได้ท่องหนังสืออย่างนั้นนะแต่ต่อหน้านั้นปล่อยให้อยู่ตามลําพังมันว้าหวีอ้างว้งใช่ไหมล่ะ ่ไม่รู้จะทำยังไงฮะเพราะมันอยู่ในบ้านก็ท ำ, ทำนู่นทำนี่นี่แหละหลวงพ่อเห็นว่านากทั้งหลายพอเข้ามาวัดนะครูบาทั้งหลายควรจะเอาหนังสืออะไรให้อ่านอะไรให้ท่องจะให้อยู่แบบเด่ น, ด, น, ด, นด้านๆนนะทำให้จิตแจ่มว้าเวคิดถึงบ้านฮะนี่แหละอันนี้คือชีวิตของหลวงพ่อนะลูกหลานนะแต่ตอนี้หลวงพ่อก็อยู่กับหลวงปู่ล่าอยู่ไปเรื่อยๆไนะ อันนี้หลวงพ่อจะไม่เน้นหนักเรื่องการอยู่กับหลวงปู่ลาพระพูดมาหลายครั้งแล้วแต่ได้มาพูดถึงเกี่ยวกับดูแลพ่อแม่ยังไงเเพราะเราเป็นพระใช่ไหมอือต่อไปพระพระหน้าพระลูกพระหลานจะดูแลยังไงกับพ่อแม่แต่องค์หลวงตาเนี่ยเป็นตัวอย่างพอท่านมาอยู่ห้วยทรายแต่็จแล้วท่านก็เป็นห่วงแม่ของท่านท่านก็เลยเอาคุณแม่ชีแก้วเสียงรำกับแม่ชีอีกแม่คุณแม่ชีน้องคุณแม่ชีบุญสามคนมัง้ง เอามารับโยมมันดาของท่านโยมมันดาของท่านเป็นโยมนะท่านบอกว่าถ้าท่านท่านเทศเองเนี่ยโยมแม่ของคงจะไม่เชื่อท่านก็เลยเอานกต่อมานกต่อก็คือแม่ชี้เหมือนกันให้คุณแม่ถ้าท่านจะให้บวชเป็นชีนะนะ้นั่นแหละโยมแม่ท่านก็ยอม嘛ยอมเพราะคุณแม่แก้วนะท่านก็พูดประหลาะเก่งไนดะ้นอบน้าวให้เข้าศีลเข้าธรรมคุณแม่ เทศพูดเก่งนะแนะนำฝ่ายผู้หญิงนะจากนั้นท่านก็นำโยมมันดาของท่านกับคุณแม่ชีแก้วนัลงไปจําพรรษาสถานีทดลองจังหวัดจันทบุรีแต่ก็ไปบวชแต่ไม่รู้บวชที่วัดตะก่อนแล้วไปบวชที่นู่นลุงพ่อท่านก็ไม่ได้พูดในรายละเอียดนะแต่บวชพอบวชเสร็จแล้วจําพรรษาที่วัดสถานีจันทบุรีพอออกพรรษาแล้วทนี้ โยมมันดาถึงคิดถึงบ้านบานเนี่ยเหมือนกับลุงพ่อคิดถึงบ้านลักษณะอย่างนั้นล่ะคนแก่คิดถึงบ้านคิดถึงลูกคิดถึงหลานคิดถึงอาหารอไปนู่นไปกินแต่ข้าวเจ้าใช่ไหมได้กินข้าวเหนียวใช่ไหมไม่ได้กินแกงเห็ดใช่ไหมล่ะกินแต่ผัดกินแต่ทอดใช่ไหมคิดถึงอาหารบ้านโอ้ยกลับกลับลูกถ้าให้กลับแม่จะกลับล่ะถ้ากลับไปแล้วแม่จะศึกเราแม่ก็จะเพราะมันไม่อยู่ไม่ได้เลยต้องล้วงตาก็เลยไม่รู้จะทํำยังไงเพราะตัวเอง นำแม่เขาไปบวชใช่ไหมท่านเลยตามแม่ขึ้นมาอีกกับแม่ชีนะสมัยนั้นก็มีลุงปูช่ชิงทองไวนะ่นหลุงปูช่ชิงทองหลุงปู่เพียนลุงปู่เพ่งเอ่เนี่ยนะเลยจะลุงปู่ลีนั่งปไปไม่ได้จำบรรษาใไหท่านเป็นฤทธิ์ดวงเป็นฤทธิดวงถวนันถ่ายเป็นเลือดไปถูกทุเรียนกับไปกินทุเรียนเข้าไปนะ่ะอ๋อไม่ได้เลยถ่ายเป็นเลือดออกมาจำบรรษาไม่ได้ทนะ้านขึ้นมานัะนะ่นแหะ อันนี้ก็คือครูบาอาจารย์จำพรรษาห้าหกองสมัยนั้นจู่ก็จู่ก็ลงตาห้าหกเจ็ดองที่วัดสถานีจากนั้นท่างกกลับขึ้นมามาก็มาอยู่ที่บ้านตาดปี2พันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าะลูกหลานนะวัดป่าบ้านตาดเนี่ยเก้าสิบแปดละเก้าสิบเก้าอเก้าสิบเก้านะ่สร้างวัดป่าบ้านตาดนแต่หลวงพ่อเนี่ยบวชเป็นเนรนะปีพันห้าร้อยนะนี่แหละท่านก็นมาอยู่ที่บ้านตาด พอท่างกันมาอยู่ก็สร้างกติสร้างวัดขึ้นมานแบบกระ top กระ tap กันมาน่ะมีพ่อทีหน้าพ่อตาทีหน้าผู้ใหญ่ศิลที่เป็นสมัยก Alrighty, ่อนกับหลวงตากันผู้ใหญ่ก้อนพู้ตู่ก้อนผู้ใหญ่ก้อนเนี่ยหลวงตาเนี่ยเป็นลูกน้องสมัยนั้นไปตีพึ่งที่ไหนไปเป็นพรานที่ไหนพู้ใหญ่ศิลเนี่ยเป็นหัวหน้าหลวงตาเนี่ยเป็นลูกน้องต่อมาพอหลวงตามาอยู่บ้านตาผู้ใหญ่ก้อกนก็เลยถวายที่ ถวายที่ดินถวายองค์หลวงตานะที่ดินสร้างวัดป่าบ้านตาดู่นี้นะผู้ใหญ่ก้อนกับผู้ผใหญ่สารวัตรสองคนถวายที่ดินวัดป่าบ้านตาดนะหลวงตาก็เลยมาสร้างวัดป่าบ้านตาดขึ้นมาเป็นที่ไร่ของเข า, เาแล้วก็ปลูกสิ่งของขึ้นมาเสนาชนะขึ้นมานะ160ร้อยหกสิไรนะลูกหลานนะที่สองแปลงเนี่ยนะไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะแต่ในหลวงตาก็บปนดูแลดูแลปนิพัทธ ปี 2,512 นห้าบสองหลวงพ่อเข้าไป2อหยบสลวงพ่อเข้าไปตรงพ่อกันนะเป็นพระเลยได้เตนี่อยู่กับหลวงปูลปปป 1, ลงป่ล่าเนี่ยแปดปีเป็นพระเนี่พรรษาหนึ่งอยู่กับหลวงปู่ล่านี่เป็นเกปีอยู่กับหลวงปูล่ลาพระแปดเนนเนนแปดพระหนึ่งแล้วก็ไปอยู่กับหลวงปู่จามเต็มเนี่ยที่เป็นหลวงอาอีกมาท่านมาเยี่ยมยมยายจากนั้นก็ท่านกับพระ พอยมญ่าตายท่านก็พาขึ้นเชียงใหม่ท่านไปไหมตุ๊กโอ้โหก็ไปครับผมไปกับหลวงอาแล้วไปอยู่ทางเชียงใหม่ท่านก็ไปส่งไว้กับหลวงปู่แหวนไปอยู่กับหลวงปู่แหวนจํพนาพรรษาหลวงปู่แหวนปี2 5ง0นหอยญาติพี่น้องทางห้วยสายไปตามมาอีกลับลงมาอีกมาอยู่หลวงปู่จามอีกเป็น2องพนร้ออแปลว่าสปีแล จำราษาอยู่ที่นั่นเลยแต่เน่ก็โอ้มหลวงอาไม่ไหวละผมอยู่ในบ้านสิ่งแวดล้อมนะเอ่ะเพราะตัวเองก็เป็นหนุ่มแนละ้วอายุยี่สิบสี่ปีนะเลยสาวๆคนไม่ใช่ธรรมดาสาวผู้ไทยใช่ไหมลนะ่ะแต่เขาไม่รักตัวเลยตัวเองไปรักเขาในสะิทธิ์ละพันไปขโมยรักเขาอีกต่างหากนะเนี่ยไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เขามารักตัวไนดะ้ตัวเองไปขโมยเหลว ง, งได้ยินแต่หลวงปู่ศิลานะ ที่เป็นกูบาลอยู่ด้วยกันเอบอกเน้นอินเดมั่นไปขโมยรักเขานะ่ะไปหักเขาเนะี่ยทั้งที่เขาโมโหว่าทั้งที่เขาไม่รู้ว่าเขามาลักตัวเองตัวเองไปไปขโมยรักเขาไงทั้งที่เขาไม่รู้ว่าตัวเองไปลักเอแต่ตัวเองไปขโมยไปขโมยรักเขาหนะลวงปู่ชีลาว่าเนะี่ยเราก็ยังนึกขำอยู่จำไม่ลืมอีกทั้งทุกวันนี่ว่าเออใช่มันก็จริงเนี่ยวะ ไปเห็นคนหน้าตาดีหรือไปขโมยลักเขาแล้วกบไว้ก่อนนะไม่รู้ว่าเขารักหรือไม่รักก็หมายรู้แล้วงนะั้นตัวเองไปขโมยรักเขาแล้วนะไปขโมยชอบเขาแล้วกนะันนี่เราเลยเราก็โอ้ยหลงอาอยู่ไม่ได้แล้ววนะ่ะถ้าอยู่ขืนอยู่ต่อไปเนี่ยผมคงชีวิตพระคงอยู่ไม่ได้ละเหมือนกับหลวงอาเนี่ยนะวะหลงอากันนี้จากบ้านเท่าไหร่จงเกือบสาสิบปียังค่อยกลับมานะะเนี่ยเไปไปไป ท่านก็คงจะทิ้คิดถึงท่านเหมือนกันใช่ไหมเป็นพระน้อยพระนมหลวงพ่อก็เลยเดินทุง่งงขึ้นมาขึ้นมาทางนครพนมทางจกนคร เ, เข้าไปแวะวัดป่าสุทธาวาสเนี่ยวัดหลวงปู่ชิมวัดหลวงปู่แว่นสมัยนั้นจากนั้นก็เข้าไปอยู่กับหลวงปู่ฟัน้นวัดอุดมสมพรจากนั้นก็นะหลวงพ่อก็มาเรื่อยๆนะเนี่ยมาพูดถึงหลวงตาอีกมาอยู่กับหลวงตาเนี่ย หลวงตาท่านบอกว่าเวลาตอนเช้าเนี่ยเราจัดอาหารตรงหน้าท่านเนพออาหารม่าอาหารหม้อมาน่ยก็จัดพอจัดเสร็จแล้วก็ท่านกะถวายพระท่านบอกว่าเรามาอยู่วัดป่าบ้านตาเนี่ยเรามาสร้างวัดที่นี่นะเรามาอยู่เพื่อแม่ของเรานะ เ, นเราก็ฟังสะอึกเลยไกลกาว่าท่านมาอยู่ที่นี่เพื่อแม่ของท่านท่านไม่ได้อยู่เพื่อคนอื่น ไม่อยู่เมื่อไม่ได้อยู่มาเพื่อใครอื่นถ้าไม่ใช่แม่ของท่านท่านจะไม่มาสร้างวัดป่าบ้านตาดเพราะว่าท่านเอาแม่ท่านมาบวชแล้วเอท่านจะนี้จากแม่ท่านก็ไม่ได้อท่านจะต้องดูแลของแม่ของจนถึงจนถึงที่สุดเพอตัวของท่านก็จบแล้วนี่ยสุดแล้วเนี่ยแล้วพอจะโปรดแม่ของท่านแล้วทีนี้อาหารอันไหนที่แม่ท่านชอบท่านก็บอกนี่อาหารแม่โยมบรรดาชอบนะเนี่ยเราก็จะต้อง รู้เลยจำไว้ในใจเลจะต้องจัดอาหารอย่างนั้นนะเออมีอะไรก็ต้องทํามันน้อยก็ให้โยมบรรดาของท่านเลยเพราะท่านมาอยู่เพื่อแม่ของท่านเราต้องเน้นเรื่องแม่ของท่านโยมบรรดาของท่านอย่างทุเรียนเนี่ยธรรมทานน้อยฟูสองฟูน่ะเราก็โยมโยมบรรดาชอบทุเรียนนั่นแล้วก็ถวายท่านถ้าท่านถวายท่านแล้วก็ท่านเยิบแล้วแล้วก็เราก็จัดถวายโยมบรรดาท่านก็ไม่ว่าอะไรเพราะโยมบรรดาท่านชอบ ท่านชอบพระทั้งหลายกันก็รู้ว่าเนี่ยอะไรเป็นอะไรเพราะเราไม่ได้มาเพื่ออย่างอื่นเรามาเพื่อการศึกษามาอยู่กับองค์หลวงตามอบกายถวายชีวิตกับองค์หลวงตา เ, เมื่อท่านรักในโยมมบรรดาของท่านพวกเราก็ต้องเทิดชูเทิดทูลบูชาโยมบรรดาของท่านเหมือนกันเนี่ยเนี่ยเราก็อยู่ที่บัตปวันตาดแต่ให้พออยู่ต่อมาเนี่ย หลวงพ่ออยู่ตั้งหกเจ็ดปีนะไม่กลับมไม่กลับบ้านเลยนะพอออกจากบ้านมาหลวงพ่อไม่กลับมาบ้านเลยแต่วันหนึ่งโยมพี่ชายตายโดยกระทานหันหลวงพ่อก็เข้าไปไปกราบท่านกนะ็อการพ่อแม่กุญจาร์พี่ชายตายครับผมเขาโทรมาเขาอยากจะให้ผมกลับบ้านทันกันหนึง่งหลับตาหนึง่งพี่ชายของเราตาย อู่ที่บ้านตาดนะถูกฆ่าตายนะพี่ชายของเราน่ะอถูกเขายิงตายในห้องนอนเรายัางไม่ไปเรายัางไม่ไปเพราะมันเรื่องของเขาเรื่องพี่ชายเขาจัดการกันเองถ้าเป็นพ่อเป็นแม่อื่อนั้นเป็นหน้าที่ถ้าว่าเป็นพี่ชายเลยเป็นนั้นนะไม่ใช่ไม่ใช่อยังห่างเราไม่ไปแสดงว่าท่านไม่อนุญาตแท้ แสดงว่าท่านไม่อนุญาตหลวงพ่อก็ไม่ไปอีกเหมือนกันไม่ได้กลับบ้านนะทั้งที่พี่ชายที่ตายไปไม่กลับเพราะหลวงตาท่านพูดอย่างนั้นขึ้นมาแล้วแสดงว่าขนาดพี่ชายของท่านท่านยังไม่ไปแล้วคนอื่นะจะไปทะเลทะเล ต, ตลอกทะเลน่อขนาดนั้นละ่ะหลว ง, งพ่ออยู่กับหลวงตานะจำไม่ลืมทั้งทุกวันนี้อีกเหมือนกันหลวงพ่อไม่กลับพี่ชายอ ตายทั้งคนไปก็ช่วยอะไรไม่ได้ถ้าไปมันฟื้นขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งไปแล้วทำอะไรให้เขาจัดการก็ได้ตายแล้วพอต่อมาหลวงพ่อก็ไปกลับลงไปถึงนานต่อมาหลวงพ่อก็ไปเที่ยวทุดงนะไปอยู่ถึงเจ็ดนปะีเออทำอินเราที่ได้กำลังได้กาลังนะเราต้องออกทุดงนะไ ป, งนะไปเที่ยวทุดงป่าวิเวกในป่าอ่า จากนั้นเราก็เข้ามากราบมาอยู่กับหลวงปู่มั่นในพรรษาแต่นอกออกพรรษาแล้วก็ไปหาภาวนาเราได้กำลังกําลังทางด้านคิตใจถ้าท่านถ้าท่านอินจะออกไปพาภาวนาไปได้นะเราก็คับผมในใจอแต่ต่อมาอีกวันทนอ่งก่อนที่จะออกไปเนี่ยต้องดูนะปฏิโมกนะพอเราสวดปฏิโมกประจำที่มีองค์เดียวเทเนั้นตวดปฏิโมกที่วัดป๋าบ้านตาดในช่วงนั้น่ะ นะต้องดูต้องซ้อมปฏิโมกก่อนนะมีตัวแทนซะก่อนจะออกไปก็ต้องดูให้เรียบร้อยนะเราก็คับผมในใจอีกเหมือนกันตอนนั้นก็เลยมาปรึกษากับหลวงปู่บุญมีเนี่ยนะเป็นพี่ชายที่เป็นพระผู้ใหญ่ท่านก็เเอาท่านผงศักดิ์มั้งสมัยนะั้นเดี๋ยวนั้ก็สือ ก, ก็แล้วหะผงศักดิ์ขึ้นมาสวดพอสวดือว่าท่านหลวงปู่บุญมีก็เอบไปได้อไเองสวดได้ พงศักสวดได้ละดูดูละคือจะเป็นไปได้ครับผมทังนั้นผมกราบลานละคุยจานเออจากนั้นก็นเราก็ไปกราบลาอง์หลวงตาท่านก็นอนุญาตแล้วก็ออกเลยแล้วออกทางหลังวัดเลยเออทําไมมันหารถไม่ได้หาไรที่ไหนรถเดินดังเดียวน่ะ น, นะะออ อ, อ, อย่างนั้นมาเนี่ยเราก็ดิ่งมาทางอําเภ อ, อบ้านผือเลยแหละในข่าวนั้นนะทีนี้พอท่าน คงสักขึ้นไปสวดสวดไม่ได้ปัะนะั่นพอสวดขึ้นไม้ปร ะ, ประมาสวดไม่ได้หลวงตาไล่ลงธรรมารตวนหลวงปู่เรากลับมาแล้วหลว ง, งปูป่บุญมีเล่าให้ฟังเออไล่ลงธรรมาตวนที่นี่มันไม่ไ ม, ไม่ใช่มันขึ้นเวทีแล้วจะมาสอนมวยได้ยังไงเนะียตรงพลในสุดหลวงปูป่บุญมีท่านก็เตรียมพร้อมมาอีกเหมือนกันเพื่อความไม่ประมาทหลวงปูป่บุญมีก็สวดปฏิโมกข์ได้แต่พุเทเจ่าก็จบ หุดมานา น, าน เ, าเหมือนกันแต่แต่พ่อเตียมพร้อมเหมือนกันเนี่อหมัดหนึ่งไม่ได้หมัดสองเนี่ะพอในสุดหลวงปู่มีก็มวยเก่าใช่ไหมขึ้นไปสวดเอท่านก็สวดก <c oughs> ผ่านเช่ว่ากันนะท่านหลงพ่อกลับมาหลวงพ่อก็เลยถามถามท่านท่านก็เล่าให้ฟังอโอ้ท่านไล่พาลงจากธรร ม, มาทิแล้วท่านผงศักดิ์ทำไมตอนได้ศึกแ ล, ล้วล่ะอะทิดผงศักดิ์นี่ยแหละ อันนี้ก็เลยหลงพ่อก็เข้าๆออกอยู่ที่บ้านตาดเพราะฉะนั้นในขณะที่ไปเที่ยวก็เลยแวัสดีไปเยี่ยมคิดถึงยมพ่อยมแม่เนี่ยพอกลับไปไปเห็นยมพ่อยมแม่โยมพ่อยมแม่ก็พอได้ทราบข่าวเท่านั้นทั้งกัมาเออาผ้าสบามาผ้ า, ากับกราบเสร็จแล้วท่านก็อกโอ้คุบาเอ้ยแม่นยูคูบาไปคิดถึงพ่อถึงแม่ไปแล้วก็นนะตั้งห้าหกเจ็ดปี ไม่คิดไม่มาเยี่ยมบ้านเลยก็เพิ่งมาเดี๋ยวนี้อย่างน้อยก็ขอปีละครั้งเธอคู่บ่ายเขาเรียกลูกชายเขเรียกคู่บานนะอให้ปีมาปีละครั้งเธอคู่บายเราก็เราก็นึบมนับในใจใชยพอพ่ อ, พอแม่แก่เท่าชะลาแล้วเราก็ควรจะควรจะดูดูแลๆบงละ่ล ะ, ละอายุตั้งหกสิบกว่าจะเข้าเจ็ดสิบแล้วเนี่ยปะ จากนั้นหลวงพ่อเองหมอออกทุรงที่ไรพอจะเข้าวัดป่าบ้านตัดหลวงพ่อก็จะแวบมาไปเยี่ยมพ่อแม่ซะก่อนเนี่ยค่อยเข้าไปพอมาก็จะแวบไปซะก่อนเนี่ยค่อยเข้าไปอพอว่าอย่างน้อยกับไปเยี่ยมพ่อแม่ให้เห็นท่านให้เห็นหน้าซะก่อนต่อมาเนี่ยตรงพ่อก็ออกมาสร้างวัดป่าบ้านนามาอยู่ที่วัดป่านาคําน้อยเนี่ยปีสองห้าเนพ่อแม่อายุป่าเข้าจะเจดสิบแล้วเนี่ย พอจากนั้นหลวงพ่อก็ไปไปเยี่ยมแล้วมีโอกาสถือแต่แต่ละปีก็ต้องไปเยี่ยมแล้วแต่ปีบางทีกัไทยแต่ไปกิจโทระทางพวนไปเยี่ยมคุณแม่ชี้แก้วก็ลงไปเยี่ยมคุณแม่ด้วยบางที่ไปเยี่ยมหลวงอาจารย์หลวงอาจารย์ให้สบายไปเยี่ยมโยมพ่อยโยมแม่ด้วยแต่นี้นก็บ่อยขึ้นมาแล้วพอต่อมาเดนพี่ชายคนหนึ่งท่านก็อยู่ พี่ชายสองคนะสําหรับอาหารนใครได้กินอะไรได้ทานอะไรเอาอาหารไปส่งคุณพ่อคุณแม่ทั้งเช้าทั้งเที่ยงทั้งเย็นทั้งสามพี่ทั้งสองพี่น้องนะสองพี่ชายนะแต่ถ้าว่าแต่ว่าข้าวในเะจ็ดวันข้าวเหนียวเนะี่ยหนึ่งข้าวแต่เช้าเราไปส่งให้แม่แล้วก็เตรียมอาหารใส่บาตรแต่วัยใส่บาตรลงปูร่านะทั้ง พี่ซอสพี่ชายสองคนน่นเตรียมอาหารไปใส่ให้แม่ให้พ่อค่ะแม่ใส่บาตแล้วข้าวเหนียวกระติบหนึ่งแล้วก็ตอนเที่ยงกระติบหนึ่งสำหรับพ่อแม่ทานอาหารเที่ยงตอนเช้าในใส่บาตรแล้วก็อาหารข้าวพ่อข้าวแม่อาหารพ่อแม่อีกพอตกตอนเย็นว่าเอาอาหารใครได้กินอะไรก็ไปส่งพ่อแม่อีกข้าว หนึ่งตอนเย็นนะไปส่งให้พ่อแม่อีกแต่ว่าข้าวเนี่ยสำหรับคนละเจ็ดวันพี่ชายชายสองคนแต่พอถึงเจ็ดวันแล้วก็พูดที่สองก็ไปทําต่อข้าวนะแต่สวนอาหารใครได้กินอะไรทานอะไรเอาไปให้พ่อทุกครั้งพ่อแม่ทุกครั้งทั้งพี่สะพี่ชายสองคนนะแต่พวกพี่สาวเขาไปแต่งงานออกไปบ้านอื่นแล้ว ยังเหลือแต่พี่ชายกับพี่พี่ชายสองคนดูแลแต่ลุงพ่อก็ไปเห็นต่อมาพี่ชายคนนั้นก็ออกไปทาํามาค้าขายเองเถอะน่อยไปอยู่ข้างๆหน่อไปอยู่ในถนนในหมู่บ้านปล่อยให้สองตายายอยู่ตามลําพังเถอนะ่อยอยู่กับพ่อแม่อยู่ตามลําพังอายุต้องหกสิบกว่าเกือบจะเข้าเจ็ดสิบแล้วหลวงพ่อไปจาอาจจะเจ็ดสิบหรือเ่าเจ็ดสิบต้นๆ น, นะเอไปเห็นเลยเขางุม่มง่ามา ม, ามาหลุงพ่อไปกับ นั่งคุยลุงพ่อก็เลยถามว่าเอพ่อกับแม่สะดวกไหมเนี่ยถ้าอยู่ตามลำพังสองตายายพ่อกับแม่เนี่ยอยากจะได้ลูกหลานมาอยู่ด้วยไหมเนี่เยเวลาฝนตกค่ำคืนละ่ะแล้วสุ่มๆุซำซ้ออกมาแล้วตกไม่มีบ้านมีลูกกรงอีกต่างหากบ้านบ้านนอกเดี๋ยวไปหลกไปหกไปล้มไปลื่นน่ะขาหักแขนหักไ อยากจะให้ลูกมาอยู่ด้วยหลานมาอยู่ด้วยไหมเนี่ยก็สุดแท้แต่คุณพ่อคุณแม่นะทีแล้ท่าน ก, ก็บอกก็ อ, อยู่ได้ยังหอกกูบาเอพอต่อมาอยากจะได้อยู่แล้วเพราะกลางคืนมาฝนตกเนะี่ยก็ออกมาก็ลำบากแต่มีลูกมาอยู่ด้วยก็ดีแล้วคุณพ่อคุณแม่อยากจะได้ใครละ่ะจะได้อายใหญ่นะพี่ชายใหญ่เพราะ อยู่ด้วยกันมานานเพราะรู้จักจิตรู้จักใจลูกสะภ้ยก็ดีผู้น้อยก็ได้ได้หรอกเขาอยู่นานๆเขาอยู่ได้อยู่แต่ก็เฉดเฉนมก็เรื่องพี่ชายใหญ่นั่นแหละก็ได้ไอ้ใหญ่นั่นมาอยู่ด้วยแล้วก็เออนี่แหละหลวงพ่อก็วางแผนแล้วะเนี่ยจะเอาใครมาอยู่ด้วยจากนั้นหลวงพ่อก็เรียกไปชมพี่น้องทั้งหมดเลยทั้งเจ็ดคนพอมาเสร็จแล้วหลวงพ่อก็บอื้ออ นี่นะพ่อแม่แก่เท่าชรานี่ยนะพวกเราคิดยังไงพวกเราเลี้ยงลูกมานะคิดด้วยซว่าพวกเราทุกคนนะ่ยแต่ข่านะไม่มีลูกนะข่าเป็นพระแต่สุจรนะิมีลูกนะเลี้ยงลูกมาเพื่ออะไรมาพึ่งพาอาศัยเมื่อยามเท่าแก่ชราใช่ไหมพี่ชายใช่จะงั้นและความคิดอื่นนะบัดนี้พ่อแม่ของเรา เลี้ยงพวกเรามาทั้งเจ็ดคนนะเน่เราควรจะคิดนะกูบาว่านะจะเอาใครมาอยู่กลับมาอยู่กับพ่อเขาแม่เมื่อท่านเท่าแก่อย่างนี้แล้วนะทางพี่ชายคนรองก็บอกครับกูบาไม่ต้องห่วงครับท่านคนนี้เป็นคนเด็ดเดี่ยวเลยพี่ชายคนนี้ฉลาดนะผมจะดูแลผมจะกลับมาเองผมจะหลักออกร้านขายของผมจะทิ้งทั้งหมด ผมจะมาดูแลพ่อแม่ครับกูบาไม่ต้องห่วงกูบาปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมไปเลยผมจะดูแลไม่ต้องนั่นหละเราพ่อแม่ก็บอกว่าท่านอยากจะได้พี่ชายใหญ่ใช่ไหมละ่ะเราก็เลยอ อ, อ, อ, ออกกวายใหม่เออยพี่น้องตามไม่จริงพี่รองเนะี่ยก็เขามีทำมาร้านค้าอีกมีลูกทั้งสี่คนอีก มีลูกทั้งสมคนสามสี่คนเขากำลังส่งลูกเรียนหนังสืออีกต่างหากเขากำลังหาเงินแต่พี่ชายใหญ่นีก็อายุมากแล้วลูกก็เป็นฝั่งเป็นฝาเกือบทั้งหมดแล้วยังเหลือไม่กี่คนหลวงพ่อเนี่ยคิดว่าเอาพี่ชายใหญ่มาอยู่การพี่ชายใหญ่สมัครใจนะพอพี่ชายรองมีภาระอาจจะต้องดูแล ลูกเราดูแลครอบครัวแต่ที่ยังไงก็ให้ยังไงให้ช่วยช่วยกันดูนั่นแหละทั้งสองพี่ชายเนี่แหละออแต่พี่ชายใหญ่ว่ายังไงละ่ะโกรกัสุดแท้แต่พี่น้องออถ้าพี่น้องเห็นว่าผมสมควรที่จะมาดูแลพ่อแม่ผมก็ยินดีเออถ้าอย่งางนั้นพวกเราว่ายังไงะ่ะเอาพี่ชายใหญ่เนาะเพราะพี่ชายรองเนี่ยมีภาระจะต้องดูแลครอบครัวของเขา ลูกของเขากําลังเรียนหนังสืออีกต่างหากทั้ง4คนอันนี้ก็ทำมาค้าขายขายของขายของชําอีกต่างหากกําลังค้าขายอยู่จะไปทิ้งร้านค้ากันยังไงก็ไม่ใช่เรื่องอีกละนะแล้เราเห็นพ้องตองกันก็เลยให้พี่ชายใหญ่มาอยู่กับพ่อแม่นะเนี่นแหละจากนั้นหลวงพ่อเองพอพี่ชายใหญ่มาอยู่พงพ่อก็เห็นอาจารย์ เ, เข้าแกศชราหลวงพ่อก็ไปที่ไรพงคนนั้นะมีขนมนมเนยแต่หลวงพ่อก็ไม่ได้เอาไปมากนะ ก็ไปพอใช้พอนั้นเสร็จแล้วก่นเอายาววิตามินโปรตีนวิตามินที่คนเขาว่าตัวไหนดีซื้อจากร้านไปก็ไปมอบให้คนแล้วขวดแล้วขวดพ่อแม่แล้วก็ฝากให้พี่ชายด้วยพี่สะพ้ายพ่อทุพี่สะพ้พายขอาย60ุ60กว่าเลยเด็กพอต่อมาอีกชุดพ่อแม่ใช้น้ําที่ไหนไปตักจากบ่อขึ้นเมาส์ตายพี่ชายพี่สะพ้ายขัอยอายุมากแนละ้ว เราควรจะไปทําเครื่องสูบน้ําให้พวกเราเ อ, อเราอยู่ที่นี่เรามีเครื่องสูบน้ำเล็กๆใช่ไหม เ, เราก็เลยไปเครื่องซื้อเครื่องคือปั๊มน้ําขึ้นมาราคาพันสพันบาททำไมน้ำพัน 1, กว่าบาทมนะั้งเครื่องสูบน้ำเพราะเขามีไฟฟ้าอยู่แล้วอนะไรเครื่องใส่ปั๊มน้ําขึ้นมาใส่ห้องน้ำํำ เ, เราก็คิดว่าเนี่ยจัดทายาทยมถวายหลวงพ่อหลวงพ่อคิดเอาไปบูชาพระคุณเทวดาเหมือนกัน่ะ อคงจะไม่ผิดเพราะว่าหลวงพ่อเห็นว่าความสะดวกของของพ่อแม่ของหลวงพ่อเนะีอยแต่คงพ่อไปไหนไปรับจ้างที่ไหนเระแต่เป็นเงินของศรัทธาญาติโยมถวายมากงคิดว่าไม่ได้อะไรมากมายนักหนาหลวงพ่อสงเคราะห์คนอื่นก็สงเคราะห์มาไม่รู้เท่าไรต่อเท่าไร่อันนี้สงเคราะห์พ่อแม่เนี่ยคงไม่ผิดหลวงพ่อก็นเนี่ยไปซื้อเครื่องปั๊มน้ํามาพอปัอป๊มขึ้นมาจากนั้นเออพ่อแม่ขึ้น บ้านลำบากเท่นี่แล้วก็บอกเอพี่ชายมีไม้มันมีอยู่ครับแต่ผมทำไม่เป็นแต่ประตูหน้าต่างก็บอกกบนั่นแหละเออเ อ, อ, อ, อให้จ้างเขาทำนะเราไปจ้างให้เขาทำจากนั้นเขาจ้างช่างมาแล้วก็ทำพื้นขึ้นมาให้พ่อแม่อยู่ข้างล่างพออยู่ข้างบนลำบากเพราะอายุมากแล้วอายุกาป่าเขาแปดสิบไปแล้วเนี่เท่นี่นออพอในช่วนั้นะหลวงพ่อก็ดูแลก็พอดูแล พ่อแม่โตโดยมากเนี่ยมีแต่แม่อยู่ข้างล่างคุณพ่ออยู่ข้างบนเพราะคุณพ่อไม่ชอบข้างล่างไม่ชอบต่ำพอพ่อเนี่ยชอบสูงมากแต่เนี่ยจะดกดสบายขึ้นมาเลยแต่เนี่พอต่อมาอีกเราเห็นว่าพอพ่ออายุเก้าสิบสี่ปีแล้วเนี่ยเก้าสิบสี่ปีเก้าสิบกว่าปีทั้งพ่อทั้งแม่ เราเห็นไปเห็นมันร้อนจริงๆนาร้อนเน่ะเมษาเนี่ยหงื่อแตกเหงื่อไหลเราก็ดแ่น่าจะทำห้องแอร์เล็กๆซื้อแอร์ตัวเล็กๆมาพอชื้อแอร์ใหญ่ก็ไม่ได้เพราะไฟมันไม่พอจะให้ยมพ่อได้นอนสบายเลยก็พาพายมพ่ อ, อไปยมพ่อเข้าไปข้างในแทะเข้าไปแล้วก็ไปชี้ทุงพ่อ ครูบาจะทำเป็นห้องเล็กๆขึ้นมาแล้วก็ให้เตียงต้นหนึ่งอยู่นี่แหละจำรับให้โยมพ่อได้มานั่งภาวนาได้ปฏิบัติธรรมพุทธภาวนาได้รักษาศีล ห, ห้าน่ยแล้วใพ่ออยู่ที่นี่มันจะได้เย็นๆจะๆต้องติดแอร์ขึ้นมาพัดลมดมันก็ดีอย่มันร้อนเอาแอร์สักตัวน้โยมพ่อนอกหลวงพ่อจับมือหลวงพ่อหน่อยตาละห้อยเลยแ่น่ย เอาเถิดคูบาใยญ่ๆอย่าไปทําถะนะคูบานะเดี๋ยวคนทั้งหลายเขาจะบอกว่าคูบาเนี่ยเอาสิ่งเอาของเอาอะไรมาให้พ่ออเดี๋ยวคูบาจะเสียประวัติเสียกิติศัพท์อย่าทําเถอะไม่เอาไม่เอาไม่เอาตอนนี้พ่อก็พอได้ล่ะอลงพ่อยังจําไม่เหลือโอ้โหโยมพ่อของเราเนี่ยถึงอายุถึงเก้าสิบกว่าปีท่านไม่ลืมตัวเลย เนี่ยแหละไอ้อันนี้ก็คือ อ, อันหนึ่งฮะหลวงพ่อยังจำไม่ถึงลูกพ่อกรจุดไม่ทํามั่นจริงคําของของท่านท่านว่าได้ก็เสียเนี่ยเสียจะมากกว่าแต่คนทั้งหลายจะพูดว่าอาจารย์อินมาสร้างอะไรให้พ่อให้แม่ทําให้กิตติศัพท์ของครูบาเนี่ยเสื่อมเสียเพราะฉะนั้นพ่อไม่เอานะครูบานะไม่เอานะไม่เอาไม่เอายืนยันอย่างแบบว่าไม่เอาเลยแล้วงั้นเถอะ หลวงพ่อเห็นความจริงจังของโยมพ่ออย่างนั้นหลวงพ่อเออหลวงพ่อก็ไม่ทํำแต่พอต่อมาพออยู่อยู่อยู่ถ้ามาเจอเรื่องอาหารการบริโภคในหลวงพ่อมีอะไรท่านชอบนะหลวงพ่อก็เอกไปให้นะไปทีไรหลวงพ่อก็เฉียดไปให้แบรนบ้างอะไรบ้างยอดลังนกบ้างอืแต่ลังนกนหลวงพ่อไม่ค่อยซื้อเพราะมันแพงนะ หลวงพ่อไม่มีเงินอีกเหมือนกันนะสมัยนั้นน่ะอแต่แบรนด์ขวดหนึ่งสาสิบกว่าบาทเออพอซื้อได้อยู่แต่ลังนกหน่งขวดหนึ่งเก้าเก้าสิบกว่าก็เป็นร้อยบาทสมัยนั้นน่ะแต่ทุกวันอาจจะกว่ามะหลวงพ่อก็ซื้อน า, นานๆได้ซื้อไปให้สองตายายยมพ่อยมแม่ น, นี่แหละหลวงพ่อก็ดูแลเออผลใ น, นบัตรผลใ น, น, นสุตรเคพอพอโยมแม่ไม่สบายหลวงพ่อเอามารักษาที่ขนแก่น ผลให้ถูกอายุยมแม่เก้าสิบห้าปีจากนั้นก็พอมารักษาเสร็จแล้วกอมาที่วัดหมอก็บอกว่าแต่ยุบมีอายุยืนประมาณไม่เกินไม่เกินหเดือนแต่พอมาได้สี่เดือนท่านก็มามรรณภาพอยู่ที่วัดของหลวงพ่อได้ไประชุมเพลิงที่นี่นะยงแม่แต่ยังเหลือแต่โยมพ่อเท่านั้หลวงพ่ออยู่คนเดียว ก็ไม่รู้ว่าแม่ไปไหนอีกเหมือนกันนะั่นน่ะอท่านก็มีใครบอกให้ท่านเหมือนกันเอ๊ะแม่สุจ้าไปใส่หนอทําไมไม่เห็นมามิตรบนหาเหมือนกันแต่แม่สุจริตไปใสหนอทําไมไม่เห็นมาไปดูซิไม่ใช่อยู่บ้านของไอ้นั้นเหรอบ้านของหลานอที่เขาเคยไปนะีเ่เอเขาเออเดี๋ยวก็มาละมั่งเขาก็พูดอย่างนั้นแหละเราก็พยายามไปดู ไปดูเรื่อยๆพอโตมาปีเก้าสิบหนะอายุปี เ, เกินกว่ า, ายุแม่ปีหนึ่งหลวงพ่อก็เลยป่วยแต่ท่านเขาให้สัญญากันนะหลงพ่อจำไม่ลืมอีกวันหนึ่งเมื่ออายุท่านเก้าประมาณเก้าสิบสี่ปีเนี่ยเก้าสบสี่ปีเนยทั้งคู่แม่เก้าสบสาพ่อก้าสบสี่พอไปตอนบ่ายไม่มีใครรือวันนะแต่ท่านก็มา ทังพ่อทั้งแม่นะมากราบใกล้ๆนะแต่โดยมากคุณโยมพ่อมาลงพ่อมาแนละ้วคุณพ่อจะนวดที่แขนให้นะนวดที่แขนนวดที่ไหล่นวดที่หลังใ ห, นะให้ให้ท่านคลายคลายเส้นพวกท่านนั่งอยู่ตามลําพังนะแต่ทีนี้พอไปถึงนะโยมพ่อกับ โ, โยมแม่มากราบต่อหน้าใกล้ๆวันนั้นทางโยมแม่ก็เลยบอกว่าคูบา โยมพ่อของคูบาเนี่ยบอกว่าเอาให้เจ้าไปก่อนเนอะคอยอย่าไปตามหลังเอบอกให้เมียตายก่อนเหมือนกัะเออแล้วตัวเองจะตายที่หลังเหมืนนะอนกันให้คอยอยจะตายที่หลังให้เจ้าตายก่อนเจ้าไปก่อนเนอะเดี๋ยวค่อยจะไปที่หลังอคูบาอาพ่อเจ้าเนี่ยบอกให้แม่จะไปก่อนนะเนี่ย นพนว่าพนจะไปตามหลังเอ้ยไม่ต้องไปไม่ต้องไปนะคุณแม่นะไปพร้อมๆกันนั่นแหละวะเออภาวนาพุทธโธพุทธโธนะบำเพ็ญคุณงามพร้อมดีได้ภาวนาพุทธโธคำหนึ่งเป็นบุญเป็นกุศลได้รักษาศีลวันหนึ่งก็เป็นบุญเป็นกุศลยาวนานเออให้อยู่ให้อยู่ยาวนานที่สุดนะคุณแม่เนะตั้งใจภาวนานะเนาะมีอะไรก็บอกกูบา้า ทั้งโยมพ่อได้ยินหลวงพ่อนั่งแต่หูตึงอย่โยมพ่อพอได้ยินโยมแม่พูด ย, ยิ้มคล้ายกว่ายิม้มพออกพอใจที่ที่ ท, ที่ที่โยมแม่พูดเสียงดังใ ห, ให้ให้ฟังเราก็เอออยู่ด้วยกันไนดะ้คุณพ่อคุณแม่ไนดะ้จากนั้นก็เน่ยโยมพ่อก็ป่วยก็มารักษาอีก พอมาถึงวัดหลวงพ่อวันนั้นก็นหนาวมากหนาวจนลงถึงองศาสามองศาหลงพ่อก็เลมมรณะอยู่ที่วัดหลวงพ่ออีกเหมือนกันหลวงพ่มแม่ตายอากาศร้อน เ, อเดือนเมษาวันที่สิบสี่เมษานะแต่ยลงพ่ อ, อตายวันที่สิบหกธันวานะหนาวที่สุดในช่วงนั้นนี่แหละ สรุปแล้วก็คือโยมพ่อก็โยมแม่หลวงพ่อได้มาไปชุมเพลิงที่นี่ดูแลพ่อแม่อย่างสุด เ, เต็มกําลังเราไม่ได้มองข้ามว่าพระคุณของพ่อของแม่พระคุณของพ่อของแม่มากมายเพราะฉะนั้นขอให้พวกลูกพวกหลานทุกคนนะอันนี้ที่พูดให้ฟังวันนี้ก่อนเนี่ยการดูแลเมื่อเราเป็นพระเราดูแลพ่อแม่ยังไง พ่อแม่แกเท่าชราเราต้องดูแลท่านนะไม่จะไม่เล่าทำไมเป็นในครั้งพุทธกาลกขาพระบวชเข้ามาแล้วอายุพ่อแม่ตกทุกข์ได้ยากท่านจะงปนนิบัติไปเลี้ยงบินทาบาทมาเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ไม่เป็นอาบัติพระพุทธเจ้ายังเชิดชูบูชาอีกต่างหากสาธุสาธุเธอทำถูกแล้วที่ดูแลพ่อแม่ในเมื่อแกเท่าชระลานี่แหละ แต่จะเป็นทำให้ผิดศีลให้รักษาศีลรักษาศีล ใ, ให้บริสุทธิ์บริบูรณนะ์อันนี้ก็คือหลักธรรมคำสอนของพุทธะนะแต่ใครก็ตามทำไม่ดูแลพ่อแม่นะปล่อยปาดละเลยอันนั้นไม่ถูกต้องอย่างในครั้งพุทธการอี่อเหมือนกันพระพุทธเจ้าท่านเทศสอนให้พรามนะอยา่างวันนี้หนะลวงพ่อเห็นโยมขันทอง เขาอยากจะได้ไม้เท้าเนี่ยงพอมีไม้เท้านเนี่ยจะมอบพยมคันทองเนี่ยระวังหกล้มเนอะผู้เท่านะอยู่นัดสถานที่ใดเพราะว่าโดยมากผู้สูงอายุทั้งหลายเนี่ยหกล้มนันอันตรายปรไปที่ไหนอย่าไปคิดว่าตัวเองเก่งถือว่าเป็นผู้เท่าก็แล้วกันขนาดหลวงพ่อเนี่ยลงมาจากกุฏินะ เวลาฝนตกเวลาเวลาเวลาวันไหนฝนตกพอจะถือไม้เท้าลงมาค้ำยันลงมาได้เรื่อยเหมือนกันนะเพราะว่าบางทีมันขาอ่อนอตีนเท้านะไปสะดุดอะไรปลอกปอกแปลกหน่วยเดี๋ยวล้มพลอกหลงไปแล้วเอะทีรอันตรายล่ะถ้าลงมีไม้เท้าก็อย่างน้อยกับมีไม้เท้าค้ำยันไว้ก็ยังดีอยู่นะพวกนั้นได้ค้งพระเจ้าท่านสอนพรมพรำลูกไม่เลี้ยงพอ่อเลี้ยงลูกมาเก้าคน ไม่มีใครดูแลพ่อแม่เพราะพุทธเจ้าสอนสอนพรามให้ เ, เป็นค ำ, คำคคมให้ไปสอนลูกนะกาวสุนทนพศสอนลูก เ, เธอจะเรียนไหมเรียนครับพรามพรามแก่อายุแปดสิบเก้าสิบปีลูกลูกเลี้ยงทั้งเก้าคนลูกชายทั้งเก้าคนไม่เลี้ยงพอ่อได ลูกสะภ้ยนี่ยที่มันกับพ่อปูนะ่มันไม่เข้ากันนะพระองค์บอกว่านี่นะพรามพอไปถึงบ้านให้ไปกล่าวสุนทรพจน์ต่อหน้าลูกๆต่อหน้าชาวบ้านนะเรียกเข้ามาทั้งหมดที่ศาลากลางบ้านเอ้ยพวกท่านทั้งหลายเราหนีออกจากบ้านไปหลายปีไม่ได้มาหมู่บ้านเรามีคําคมคําอคําที่จะกล่าวบอกกล่าวให้พวกท่านทั้งหลายมา เดี๋ยวจะมีอะไรสั่งเสียบอาากเราอาจจะไม่ได้มาเองลูกทั้งหลายมานะเดี๋ยวจะสั่งเสียสิ่งอะไรที่เรายังค้างใจอยู่ลูกทั้งหลายทั้งลูกสะภ้ยทั้งลูกชายทั้งหลานกันลุมกันมานะชาวบ้านกันลุ่มกันมาเพราะบางทีอาจจะมีเอ้ยข้าไปฝังหลุมเงินหลุมทองอยู่ตรงนั้นตรงนี้ไปเก็บไปขุดเอานะาเขาก็คงจะคิดอย่างนั้นกันมังพวกลูกลวนหลานมีแต่ความอยากได้ใช่ไหม มีความแต่ความอยากแนตะการเสียสละมันมีนะมีแต่อยากได้นะพอถึงมาพอในขึ้นมาทีนะี้เน่ะพามพร้อมมาได้ยังพร้อมแล้วนะพามก็ลุกยืนขึ้นยืนขึ้นในกลางเวทีเนะี่กลางฟอร์งนนะั้น่ะกลางศาลากลางบ้านนะั่นแล้วก็มีไม้เท้าด้วยอแล้วก็มีไอ้หม้ออยู่ทั้งหลังด้วยนะหม้อขอทานน ะ, ะเพราะว่าขอทานนี้จากปานไปขอทานกิน แต่ที่ไหนกินที่นั่นนอนที่นั่นไปเรื่อยเหมืนกัเถอะทีนี้ท่านก็ยืนขึ้นมากลางฟอดแเอาฟังเลี้ยงบุตรสุดแสนจะลําบากแต่ไม่แทนมือพ่อแม่ได้เหมือนใจหมายพามเขากล่าวคาถานะเอเลี้ยงบุตรสุดแสนจะลําบากแต่ไม่แทนมือพ่อแม่ได้เหมือนใจหมาย ขุนไม้เท้าพ่อนี้มีมากมายได้คำกายย่างย่องจ้องจดจุนจะเดินทางไปข้างไหนไกลสถานเมื่อพบพ่านสัตว์ ร, ร้ายจะว้ว่นเอาไม้เท้าปัดวัดเวียงไปตามบุญคงมีคุณกว่าลูกที่ปะละเลยแ่าพรามกล่าวสุนทรพจน์ต่อหน้าแ่าบ่งสาคนายาตต่อหน้าลูกๆโอ้โห พอลูกได้ยินเท่านั้นแนหะหมอเลยอันนี้คือคําคมไข่คําคมพระ พ, พ, พุทธเจ้าสอนให้พราหม์พราหม์กล่าวฮอืให้กล่าวอย่างนี้นะคือกล่าวได้ไม่ได้ครับนี่พราหม์ก็เลยไปกล่าวเป็นคําคมคํอาอสุนทรพจน์ของพระพุทธเจ้านะเอาเลี้ยงบุตรสุดแสนจะละําบาก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 ต่างๆคนก็ต่างมีพ่อมีแม่ทุกคนนั่นแหละเราอยู่ในสถานะไหนเดียวนี่พ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่ใช้ไม้เราควรจะดูแลพ่อแม่ของเราให้ดีนะพ่อแม่พ่อแม่แมเลี้ยงดูเรามาขนาดไหนก่อนที่เราจะเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาได้ขนาดนี้นะวันนี้หลวงพ่อได้พูดอะไรให้ฟังมากมายนะหลายรสหลายชาติบางที่ลูกหลานทุกคนอาจจะนำไปเป็นตัวอย่างก็ได้นะ ทำไมนำเป็นตัวอย่างก็ここไม่เป็นไรโห้ยหลวงพ่ออินพูดเวอร์เี่ยคิดทุกพูดยากเนี่ยพูดมากนะก้าุดแท้แต่ลูกหลานจะว่านะถ้าจะเอาเป็นตัวอยา่างหลวงพ่อได้ปฏิบัติอย่างนั้นจริงๆพ่อแม่หลวงพ่อก็ได้มาไปชุมเพลิงที่นี่จริงๆแล้วก็ดูของทานก็ไว้ที่ตนโพกใกล้ๆกุฏิหลวงพ่อนั่นแหละนี่แหละอันนี้ก็คือพ่ออายุเก้าสิบหกปีแม่อายุเก้าสิบห้าปีนะ อ, อันนี้ก็คือ ทดแทนพระคุณเราเป็นผู้ทดแทนพระคุณของพอ่อของแม่ไมิใช่แต่ของพอ่อของแม่เท่านั้นพระคุณของพ่อแม่ครูบาอาจารย์อย่างหลวงปู่ล่าทดแทนยังไงคุณแม่ชีแก้วหลวงพอ่อทดแทนยังไงหลวงปู่จามทดแทนยังไงแต่หลวงตามหาบัวหลวงพอ่อทดแทนยังไงตาหลวงพ่อจะบรรยายให้ฟัง ลูกหลานของไม่ได้กินข้าวแล้ววัน เ, นเอาตอนนี้กดผรอนละวันนี้นะเอาอรับผรอนนะทีนี้นะ